แนะนำบทอัลมุสสลัดบทอัลมุสสลัดเป็นบทมักกิยะมีห0สบองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อบรรดามาไยกาที่มีหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจักรวาลโดยยืนยันว่าวันกิม马นั้นเป็นเรื่องจริงและ ว, ว่าการลงโทษและความพินาศนั้นจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน แล้วบทนี้ได้กล่าวถึงเวลาแห่งการลงโทษที่จะเกิดขึ้นซึ่งบรรดาคนชั่วได้ถูกสัญญาไว้หลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชะนุภาพอันเด่นชัดของอัลลอฮ์ด้วยการให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบ้านปลายของบรรดาคนชั่วในโลกอาคิยร์และสิ่งที่พวกเขาจะได้พบกับ ก, บการตอบแทนและการลงโทษหลังจากกล่าวถึงบรรดาคนชั่ว บทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศอย่างมากมายบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตคือการฝ่าฝืนละเมิดและการการะทาความชั่ว ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมสขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกันขอสาบานต่อลมพายุที่พัดกระหน่ำอย่างแรง ขอสาบานต่อมาเลกาที่อุ้มเมฆฝนัรกรขอสาบานต่อมาเลกาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จตรขอสาบานต่อมาเลกาที่นำมามอบแก่บรรดาอาับดีด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำนทับ แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน um um เมื่อดวงดาวถูกทำให้อับแสงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแย ก, กออกและเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง และเมื่อบันดาศาสนาทูตถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดาศาสนาทูตถูกเลื่อนออกไปสำหรับวันแห่งการตัดสิน a a และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรว ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธอาลมนุหลิกิลอววลีน เราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหรือหลังจากนั้นเราได้ทำให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาเช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาจยาก่อน ความไหยนะในวันนั้นจงประสบแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยอาุจิดอกหรือและเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงหมดลูก นถึงกหดอันนนนแ่อดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วเราจรึงเป็นผู้กำหนดที่ดีจริงๆความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธแล้วเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ ทั้งคนเป็นและคนตายและในแผ่นดินเราได้ทำให้ภูเขาสูงตรงงานและเราได้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิท ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธจงออกเดินไปยังเงาควันสามแชก มันไม่ทำให้เกิดร่มและไม่ช่วยพ้นจากเปลวไฟได้แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประกาศารรประหนึ่งประกายนั้นมันเป็นอูดสีเหลืองเข้มวรยลุยยนมอิดิีเหลืองิขี ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันที่พวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้ ل ل และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขา เพื่อแกตัวละความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติรุ่นก่อน ดังนั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเถ อ, วอลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบบรรดาผู้ปฏิเสธั แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำผุและผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดแท้จริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบบรรดาผู้ปฏิเสธมมพวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอาดยากรวความหายนะในวันนั้นจงประสบแดมบรดาผู้ปฏิเสธเมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรูก้กลัวพวกเขาก็จะไม่รู้กลัว ความหายนณะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน